โตจดเรื่อง 30 ธันวาคม 2548 ที่ แต่ว่าว่าจิตใจพิเศษผู้ที่มีจิตใจแข็งจิต ไม่เป็นคมเป็นคมจะไม่ทับไปเด้งไกลสักไคลเพราะฉะนั้นคนเราไม เป็นดอกบัวเราก็ไปบังคับเค้าไม่เห็นเลือก ขอปุ่นหอมหวานอะไรก็แล้วแต่เพราะเรามีการ <c oughs> ฉะนั้นก็มุ่งหมายมีจุดมีมุ่งมีหมายมีการก็ทําต่อ <c oughs> ให้มันเกิดแรงดันมันกดแรงดันแต่ไม่ถึง เท่าที่อาตมาเข้าๆนั่นแหละมีเท่าไหร่อาตมาขยายบังคับ 3 driver and mark of ไม่คิด ไม่หลอกไม่หลอกนะไม่หลอกอย่าว่าประกาศเปิดอธิบายเออจะบอกว่าคีชวนก็มีบ้างในเชิง ดีนะทุกควรนะน่าจะเอานะน่าจะได้นะสวา คนจะคัดเลือกหรือคนจะต้องการคนต้องการๆก็ ยังสามารถมองเห็นสามารถเข้าใจรับแล้วก็มาเรียนรู้ฝึก อ่าทุกคนยากไม่มีอืม มันยากแต่มันสุดวิเศษสุดดียอดน่ะสุดพิเศษสุดดียอดยาก <เลย. S 2> มาแย่งโลกุตระนี่นะไม่ฆ่าไม่แกร่งกันน่ะเลือด ไม่เห็นไม่เห็นมีเลยการฆ่ากันๆมันน่าจริงๆนะไม่จําเป็นต้องดีๆนะ อ่าวัตลบกิยทรัพย์มันเป็นอย่างนี้แหละหลักยศ แต่แบกหามคือแก่นจริงๆล่ะทรัพย์ มีจุดยะแทบทั้งนั้นน่ะอ่าส่วน เป็นภาษาที่ท่านย่อกันเอาไว้โบราณอาจารย์ถึงรูป เป็นรูปปจิตอ่าหรือจิตตชรูปอ่ารูปข้างในจิตเป รถละกิเลสจนกิเลสหมดจริงๆแล้ว นะปัจจรณะ 13 14 15 ฌาน 1 ฌาน 2 ฌาน 3 ฌาน 4 เออแต่ และปัญญาหรือความรู้ที่ว่านี่ที่เป็น ที่เพราะผู้ใดปฏิบัติวิปัสสนารู้รู้ เช่นอาการของเราเกิดทั้งคิดแล้วเนี่ยมันโกรธแล้ว จากเกณฑ์ของกิเลสอาการโกรธแรงโหดมากกับ มันก็เป็นเครื่องหมายแบบราคะโดยวินิมิตให้เรารู้ญาณเราๆมันมันมัน มันแต่มันมีเครื่องหมายบอกใช่รูปธรรมแต่มันมีเครื่องหมายบอก อิงิมโหมูนตกูลโมหะมีเจโตปริยาญาณสราคะ ส่วนสัตว์มันมีรูปร่างมันมีอาการมันมีเครื่องหมายมีรูปร่างมันมีอาการมันมี ว่าผู้ที่มีเจโตปริญญาสราคะสโทสะสะโมหะเออก็รู้ละรู้นิมิตรู้ ทิฏฐิธรรมที่จะ 6 วีตโมหะ 6 ตัวละน่ะ 8 าร, า, ษ, 9 เพราะในพวกเรานี่เข้าใจกันคนอื่นก็บอกว่า นํารูของจิตเจตสิกมันรู้เรื่องของปรมัตถ์ประจัญความ รู้วิธีกวิธีการที่จะรํารวยวิธีการที่ๆก็แล้วกัน แม้จะเก่งวิชาวิชาเกษตรวิชาเอ่อวิศวะวิชาดาราศาสตร์วิชาโหราศาสตร์ เก่งทางโลกนั้นเก่งดีก็มีเก่งไม่ดีก็ จรณ 15 มีญาณหมดศีลต่อ ก็ต้องมีปัญญาและปัญญาตัวนี้ข้อเท่านั้นมา 8 4 เป็นเท่า 12 วิชา 12 9 ขอ 1 1 จริงๆแล้วปัญญาหรือว่า 15 แล้ว นะ เกพุจาContract ไปชัดเจนมันนิ่งไปเฉยๆไม่เกิดปัญญาเลยมันสวดจริงนั่นแหละแบบ รวมเก็บแล้วเอาจุด 1 จุดใดมาเป็นกรรมฐานๆเอา เอ่อใช้ให้จิตไปผูกไว้นั่นนี่จิตผูกไว้กับซึ่งอ่า เป็นบทสมตะพุทธรอดก็เข้าใจต้อง รู้ความจริงตามความเป็นจริงความจริงตามความเป็นจริงความเป็นจริงของวัตถุ รู้ครบหมดนะมันฝึกฝนมาแล้วตัวญาณเนี่ยมันๆ อย่าอย่างรู้ทีเดียวไม่ได้แต่มันพอเฉย อย่างเห็นจริงเห็นจริงอ่ามีปัสสโตชานนโตหรือปัสสติชานนติฌานแปลว่ารู้ ช. ช้าง พอผู้ใดที่มีตัวญาณตัวนี้ล่ะของเราเข้าไปมัน กำหนดรู้ตัวนั้นคมคันไม่สับสนไม่เบลอไม่เถียนนั่นคือรู้อย่างยิ่งรู้อย่าง ค่อยๆแบบเนียนเรื่อยๆเรื่อยๆๆจนกระทั่งทําไปได้ทําไปได้เรื่อยๆ <c oughs> อ่ามีสมถะนั่นเจโตธนะก็เก่งจิตมันมีอำนาจมีแรง ก็ก็สงบมันก็มีสองด้านตะงับลงไปได้ตามๆๆไปมันก็มีนะนะ เป็นมวลเป็นรูปธรรมรูปธรรมที่อาตมาพูดเช่นยิ่ง อาตมาก็เอกราชก็แล้วหลุดพ้น หลุดพ้นจากหนี้แล้วเป็นเอกราชอ่าตรุดพ้นๆต่ออะไรได้ หน้านี้ฝนยังตกเลยฝนยังตกเลยมันไม่รู้นาอะไรมันเดี๋ยวร้อนเนี่ยเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยร้อนเนี่ยร้อนตอน ยังไม่อีสานภาษาเนี่ย มีอะไรคํานําหน้าโสดาปัตติผลเนี่ยคือข้อประดา ท่านปรับยืน 8 1 1 อ่ามีมีมาตราของมันนั้นมีเกิดจริง ยิ่งข้อที่สองสวรรคาลัยข้อที่ 2 นะใดๆในโลกทั้ง ทุกคนเทียบทุกคนเปรียบทุกคนวัดคนเทียบทุกคนเปรียบทุกคนวัดอ่า มันจะเกือบจิต วนยิ่งขึ้นนานยิ่งขึ้นดีมีดีก็ เป็นสุขอันสงบเป็นสุขอันสงบเป็นสุขอันไม่วน สิ่งที่เชิญชวนชี้ชวนถ้าแปลให้หยาบก็ว่าท้าทายให้มาพิสูจน์ เอ่ออาตมาไม่ชํานาญเรื่องนี้จ้ะนะจ๊ะอาจารย์พูดนะจ๊ะมันเถินแต่พูดแล้วก็ ก็บางทีก็แรงมันท้าทายมาพิสูจน์เหมือน เป็นโลกโลกได้ดี โล่ไปเป็นคนรวยที่สุดในโลกขณะ อาตมาก็สงสัยใจว่าคนเราๆถ้าหน่อย ยกจนนิดเสร็จ 3/4 เสร็จ 4 ส่วน 5 เสร็จ<นะ S> 1 ส่วน 100 เลย ทำบุญ 99.99 ยิ่งยกย่องกันมากมายแล้วอีบท 0.01 โถยก คนก็รู้ว่าการทําบุญทําทานมันของดีมันคน นะว่ายังบอกทําไมเค้าก็มีดีอ๋อทุกซี่ขุผู้เนี่ยมันกําปั้นดิน <laughs> มึงมีซื้อมือเลยมึงไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ไม่ <c oughs> เป็นมวลที่เป็นรูปธรรมชัดว่ามีเอกราชทั่วทั้งแผ่นดิน แล้วก็ง่ายแล 6 แล้วลงดาตรงเด่นอนุบาลในฝันของเค้าก็มีแต่ที่จริงก็เป็นคูใหญ่แต่เป็นคูไม่ใหญ่ใหญ่เป็น <c oughs> อบายมุข 6 1 อ้าวแล้ว 2 ข้อ 2 การพนัน 3 ไม่ใช่ 4 แล้ว 4 การพนัน 5 6 เกียรติครานเอา 6 ข้อนี้ 6 เอาแต่โมฆะนี่ก็เอ๊ะสับสนกันไปที่เจมันมีความมันมีความทุกข์มันเรียง สัปไลประเภทไม่หากินกลางคืนไม่กินหากินแต่กลางวัน พอมืดลงไปหน่อยนอนตื่นเช้าอีกอีกอีกใครตื่นนะเค้านอนนก สัตว์จะตื่นเช้ามาก็อ้าวส่งเสียงเจียวเนี่ยธรรมชาติเค้าให้ เขาเห็นอ่าตอนตาเขาเห็นเค้าดูเห็นมืดไม่มีแสงมีแสงมันก็ควรนอนนะเพราะคน <Yeah. S 1> ทำงานได้ไม่เที่ยวกลางคืนก็มีอะไรกันคืนคุณเล่นพี่เรียนมัน เพลิดโทษที่ไหนไปที่นั่นอะไรอะไรมั่งเอออะไรเนี่ยชิงชา ควรไม่ควรขนาดไหนนานๆมีทีก็มีๆเราก็ นะชีวิตก็เป็นสุขร่างกายก็แข็งแรงทุกอย่างก็ โดนดารากินเหล้าเถื่อนในครับเถอะอะไรโซดเหล้าเมาเล็กๆเอาอย่างอะไรไม่ได้ มรรคของเราไม่เวียนกลับอสังขัพน่ะอ่าอสังขุปังอสังขุปังไม่เวียนกลับไม่ฟื้นน่ะตาย ความหลุดพ้นที่แท้นั่น 1 2 มีพวกเราคิดจะออกไปเที่ยวงานกาชาติในเมือง ว่านอนสอนง่ายมีความสํานึกแต่ใครไม่สํานึกก็จงดันตัว ใจมันชอบเที่ยวใจมันยังสนุกสนานยังอะไรต่ออะไรต่อ ผู้ยิ่งคนเที่ยวคําว่าเที่ยวเป็นคําๆเพราะฉะนั้นคนร้ายคนมัน เชิงอยากจะให้ไปดูสิ่งที่ควรจะดูเห็นคนที่ควรจะเห็นไม่อ่าถ้า ไม่รู้จะไปดูๆอาจจะเป็นให้ไปเชื้อ อาตมาก็เมื่อยนะบอกไปเที่ยวก็เมื่อยนะมันต้องไปเนาะมันเมื่อยต้องเดิน เออไม่ไม่ต้องการให้มันหกขณะเวลามันเฟือดยังแม่ <c oughs> <c oughs> พระอนคตเนี่ยมีรูปธรรมได้ยืนยันได้นี่ <c oughs> <c oughs> ต่อไปอะไรไม่เค้าไม่ชั่วไม่ดูการละเล่นไม่ดูการละเล่นอ่าเดี๋ยวตําราเนี่ยแปล อ่ามหรสพที่ยินคําว่ามหรสพมันเป็นของของหยาบแล้วมันเป็นอบายมุขแล้ว เมื่อคืนนี้อาตมาตั้งใจเอาหนังจิตจืดมาให้ดูกันเด็กเดินออกเยอะเลยก็มีแง่ คนที่เรามองไม่ออกแล้วเราก็ๆธรรมชาติสวยธรรมชาติเยอะแม้นึกว่าจะๆเลยอวดเรื่องโอเวอร์อะไร คือมันแบ่งดังๆ400 ล้าน หยักใหญ่นักเนี่ยเก่งคน คนดูได้จิตโอ้เนี่ยมันก็เด็กเออ เป็นข้อสอบผ่านสอบสอบนะผ่านสอบนะใครสอบได้สอบโตก็ตัวใครตัว ในบ้านของตนหลังข่าวเป็นไอ้ละครหลังข่าวอ่ะนครเค้ามี น่าเรียนรู้เอาดูซิมันไม่ดูดูมันจะตายมั้ยอะไรอย่าง <c oughs> เอ่ออ้าวล่ะดูการละเล่นแม่ไม่อ่าในการพนันๆเลยนะประกัน หุ้นในการพนันแน่นอนนักเล่นจัดชนะและเขาคนไหนรู้ไม่ทันรวยเขาเอ่อ ลุบก็หมายลุบปานหัวหลานได้หวีก็หัวอ่าหลุด<ค> อ่าหลุดพ้นจากอะไรต่อพบมิจฉามิจฉาคืออะไรทีนี้ ปัญญาสัมปทาสัมปทานี่พูดตามบัญญัติทิฏฐิของอะไรเป็นองค์ แม้ไม่ใช่ที่จะสัตตาภาณอกิเฉยเป็นสัตตาที่ เพราะศรัทธาก็ดีศีลก็ดีจาคะก็ดีก็รู้ ทานลงเนี่ยเป็นมากเพราะ ทำบุญกับพระพุทธเจ้า 1 ทำบาทมีๆไม่ใช่หลอกใช่ ก็บริจาคมากทานที่จะมีอานิสงส์มากบริจาคมากบริจาคถูกต้องอะไรพวก ได้หน้าได้ตาได้เปรียบแล้วไปทำทานแบบ เป็นวิธีการหาทางโฆษณาเอาประโยชน์ซับซ้อนมันอยาก นึกๆด้วยไม่บาปได้ยังไงคุณเสียแค่กุ้งฝอยแต่ ปัญญาจริงไม่มีชั่วอะไรข้อ 5 นี่ข้อ 5 แล้ว ดิษนะถ้าเรารู้ว่านิวาระนี้พระพุทธเจ้าเตือนเราว่าเวลาล่วง พูดจักสิ่งอันควรควรแต่แล้วก็ดูองค์ประกอบ แมวระบางระออกครั้ง 3 ครั้งก็มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นบางทีมาอยู่ข้าง ไม่มีความเป็นอย่างนี้เพราะใครขี้เกียจอยู่ในนี้ก็ เจริญนี่เอกราชสังคมที่พึ่งตนเองรอดได้ ถ้าทำเองของเราจะปลอดภัยทําเองของเราจะปลอดภัยเพราะเราจะต้องมีให้เนี่ย กุ้งเทพทวาราวดีนะเขาบอกเมืองของเทวดากรุงเทพฯตุงก็คือกุ้งคือเมืองเทพ<แ> <asthma> <availability> กินเท่าไหร่ปากจุ๊กินเท่าไหร่ก็รู้สึกว่าเอากินน้อยกินน้อยปากเล็กเอกราชเอกราช เป็นอาหารการกินเป็นใหญ่แก่ตัวไม่ต้องใครอาหารการ ให้มันล้นเลยเสร็จแล้ว 30 แหน่นี่อัพทูเซเคินไม่ใช่อัพทูเดทนะเราต้องอัพแล 30 แล้ว 30 เลยเครื่อง เอ่อก็มีรบเนี่ยไม่มันอ่า อ่าอาหารและข้าวเปลือกอ่ารวมกิน เป็นทรัพย์อย่างยิ่งอีกซ้อนลง มีข้าวเอามาให้ฟรีเลยพวกเราเนี่ยมันสี 500 บาท โพธิ์ศรีมากินก็เหลือเฟือแล้วก็สีไปแจกกันเป็นงานเป็นหน้าที่ของงานวันๆนั้นก็สีข้าวแจกเพื่อนฝูงทั่วโลกโพธิ์ศรีไปไม่ต้องถูกบังคับไม่ต้องถูกอะไรเมื่อมีแรงก็มันก็สีข้าวอ้าวคนนี้ขนไปแจกสีเสร็จแล้วเอาไปแจกบ้านใต้บ้านเหนือบ้านตะวันออกบ้านตะวันตกแจกไปโอ้โหโอ้โหเมืองนี้มันเมืองสวรรค์จริงๆเลยขึ้นสวรรคาลัยจริงๆเลยเป็นสุขเหลือเกิน เอออาตมาเล่าๆเนี่ยสวรรค์ของคนแม้นี่เรารวยพันล้านหมื่นล้านโกง อ่ามีคนเติมมาวนัตถิทัญญะสมังธนังซับๆน่ะซับอื่นทัญญะธนัง แต่แสดงว่าสุดยอดแห่งทรัพย์คือ โอไปหาเงินง่ายอะไรต่ออะไรต่างๆนานา เพราะฉะนั้นก็ทําความเข้าใจทําปัญญาของจริงๆไม่เป็นไรเป็นดีๆทําๆๆ อัตตาว่าเราจะเนี่ย เพราะฉะนั้นคนที่หลุดพ้นไป อาตมารู้จักประเทศทั่วทั่วโลกเอกราชทั่วทั้งแผ่นดิน คุณไปอยู่แอฟริกาคุณไปอยู่เมืองเขมรคุณไปอยู่เมืองญี่ปุ่นได้ จะManipulate right er ได้เมื่อเราเองเราเป็นโนมีแล้วเราก็ชัดเจนเรา มันต้องมีเป็นธรรมชาติยิ่งทุกวันนี้จะมีจับจ้านมากขึ้น โลกนี้ไม่ไม่มีพระเจ้าบันดาลสิ่งเหล่านี้ไม่ พระเจ้ารักมนุษย์ก็ต้องทําเองสิทําได้นี่เพราะพระเจ้ามีอํานาจ ไอ้เอกราชอบาย เอกราชอย่างสากลสังคมในในประเทศไหนก็แล้วแต่ ได้มาในยศมารบเรอเถิงมีอบายมุขสนุกให้มันก็สนุกฉะนั้นโอ้โหพูด แต่โอบิพะอริยะสุขุมแม้มาดแค่มึงพะอริยะสุขุมมักน้อย พระเจ้ามันจะไม่เหมือนกันเลยคุณมาอยู่ที่นี่คุณว่าเป็น ทำงานฟรีทั้งห่าอ่าทำงานไม่เอาตังค์เลยนะมารับใช้โอ้โหนี่ อ่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสมมวยสุขนะโพธิรัตน์เจ้าตอนโลกิยะๆ ธรรมรสวิมุตติรสก็โลกิยรสกามรสคนละเรื่องเลยโลกิยรสกามรส เสริมยี่ห้ออะไรก็แล้วเออ ไม่ไม่โอ้ไม่เห็นแมมมีรถไม่ไม่รถคันนี้ไม่ อ่าบ่ชีวิตใหม่น่ะ ประมาณตรวจสอบดูโอ้เรามีสวรรค์นะสวรรค์เออมีประมาณนี้โสดาก็ประมาณนั้นยิ่งสกิทาอนาคามะและยิ่งสบาย ก็ไม่ต้องไปเป็นภาระไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปเนี่ยเค้าจะว่า คุณมีคุณถ้าแต่อ่า ถ้าเผื่อว่าเราจะเอาไปทํายาบางอย่างต้องเข้าเอาเหล้า <c oughs> ถ้ายังไม่แข็งแรงอธิปไตยอธิปไตยอธิปไตยแปลว่าอำนาจนะยิ่งกว่าอธิปไตย กามเป็นอำนาจอัตตาเป็นอำนาจนะ เรเราก็ไม่มีอํานาจลาภมันมีเร แม้ที่สุดตําแหน่งในความเป็นแม่ในความเป็น คนเรามีปัญญาเราเรียนรู้ข้าเป็นแม่แกนะเหล่านี้มา <c oughs> มันเป็นนามธรรมมันอยู่ในตัวเรามันอื้อใช้อํานาจ ไม่รู้จักๆไม่ใช่ๆ ยิ่งไม่ใช้ยศเป็นอำนาจยิ่งจะได้ยศยิ่งไม่อยาก คนไม่รู้เขาจะมาอย่างนั้นเต็มๆถ้าคนรู้ก็ ต้องอย่างนี้แหละสุดยอดต้องเอานี้มายิ่งไม่เอาท่านเค้า แต่ที่ไม่เอายิ่งได้มามันจริงยิ่งไม่เอายิ่งได้มายิ่งละปล่อยได้ยิ่งหมดเลยทั้งเอา ถ้าเราดูว่าเออเอาอันนี้เอาไปแจกซะถ้าเราอยู่ เหมือนเดินไปในที่ว่างโลกิยะมันก็ย้ำเหย้มเยอะกองเดินเดิน อีกทีปาติหันเหมือนเดินทะลุกำแพงภูเขาเป็น อ่าเราเข้าใจเป็นนามมาทําแล้วโลกียะมันหยาบมันว่าใครจะเชื่อไม่เชื่อ โดยเฉพาะอาตมาไม่ใช่เชอะชะไม่ใช่ตระกูลภัทรศิวลีภัทรศิวลีลาบมาก อ่านักรบอาวุธไปๆ หลบตีนเข้าดีๆมากลางตลาดหากินด้วยนะไม่ใช่ <sk r ug> <sk r ug> มาตลาดตะหากินของตกหล่นในการตลาดแย่งเค้าด้วยตลาดตะแต่เอ้า ก็ก็เปรียบเทียบให้ฟังมันเออมันก็ถูกนะนะมันสรุปแล้วนังอธิปไตย มันมันไม่ล้มเหลวแพ้มันไม่ล้มเหลวมันยืนหยัดยืนๆ ปลอดภัยทั้งตนเองปลอดดี เจตนี่เป็นคุณธรรมที่เยี่ยมยอดในชาว พอจะเป็นปู่เราต้องพยายามทําความเข้าโอ้ตอนนี้ท่านใช้ข้อสอบนี้ จืดเนี่ยอัศาทะอันนี้เราไม่ได้ไม่ได้เลยระวังเถอะอ่านให้ดี เราทําไปเพื่อตัวเราอยู่รอดด้วยสังคมด้วยเพราะเราจะเลิก เขาเรียกพราซาเดี๋ยวนี้พราซาเค้าก็คือไปจัดกลุ่มเข้าตรงนี้ เอ่อเป็นการค้าๆๆๆนี้ อย่างช้าอโศกค้าขายคือขาดทุนมีจํานวนคนใน คนซื้อเค้าก็ไม่ซื้อเพราะเค้าขาดทุนเอง ทำอย่างไรโลกจะมีผู้เพิ่มมากขึ้นได้ คนที่กินแรงคนเนี่ยมากกว่าคนที่สร้างวัตถุดิบทุกอย่างเลยฉะนั้นวัตถุ คิดดูซิพลังงานเนี่ยมันหมดไม่ได้นะ พระที่มันเกิดมาโดยธรรมชาติสิ่งที่อยู่ที่กินขึ้นมากๆเหลือ มันเจริญตัวมันธรรมชาติของต้นไม้พืชพันธุ์ธัญญอาหารมันเจริญ เก็บกินก็ไม่ปัดไม่ไหวเหลือเฟือคิกกินที่กินขว้างกันได้ คนต้องสร้างช่วยมันต้องสร้างยิ่งเป็นกรรมกรที่อยู่ในระบบบุญนิยมมันเพราะฉะนั้นๆ อนุเคราะห์โลกเค้าอยู่จริงๆขาดทุนเสียสละให้เค้าปัจจัย 4 อาหาร เรเรเราไม่เพราะมันมากโลกมันสร้างมามากแล้วเราก็เข้าใจแล้วว่าใช้วันนี้เครื่องนุ่งห่มเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะๆไม่สบาย ที่อยู่อาศัยเมื่อเราไม่ติดไม่ยึดที่อยู่อาศัยเออเท่านี้ก็พอนะ เป็นคนล้วนง่ายแล้วที่อยู่ตรงนี้พักตรง บัดตัวที่คอมเพนธรรมชาติเนี่ยมากกว่าจะไปๆถ้วย เครื่องใช้ไม้สอยอนันตนิแม้แต่ไม้จิ้มฟันแต่เราไม่สร้างเรือ ถ้าเราสร้างเองได้ก็ดีถ้าสร้างไม่ได้ก็เกื้อๆมันมันจะเฟอร์ ว่าสิ่งที่เราจะต้องพึ่งตนเองให้รอดในสิ่ง อ่าจิวเวลรี่เอ่ออ่าเครื่องใช้ธรรมดาแค่นาฬิกาก็ไปติดเพชรไปติดอะไร เรามีแรงงานเหลือมีเวลาเหลือมีแรงงานเหลือไปสร้าง ให้มันกินอิ่มมันถ้าเราให้ไม่ให้ไม่มีเหลือเฟือให้มันกินอิ่มพอเราต้องเหลือเฟือจนให้ๆ เนี่ยอาตมาก็ขยายความอะไรแนวลึกแนว และเราเป็นสุขไหมเราเรามีอธิปไตยในตนจริงไหมสุขมั้ยเราขึ้นสวรรค์แน่ ยิ่งนับวันมันยิ่งจัดการยาคายซับซ้อนย่ําเยาะไป 8% เขาไม่เอา 9.99 เอาจริงนะเพราะงั้นเราก็ ไม่มีใครมารู้ไม่เห็นด้วยเราอหเมตังนะชานามิอหเมตันนะปัสสาเราเป็นเราของเราเรา นามินามิเราไม่รู้ของใครของใครก็ของใครเราเห็นอหเมตังนะฌานามิอหเมตัญนะปัสสาเมติเราไม่รู้ไม่เห็นปัสสาก็ เนี่ยเราเออของใครก็เออเราได้เรามีนี่เป็นสวรรค์คาไรของเรา เราหลุดพ้นเราเล็กๆเล็กๆอยากจะ เฮอรยับแม้ๆเมาๆเมาเด่นเมาเด่นเร็วเข้าเนี่ยๆภาษาโยนเร็วๆนะใครเป็นโยนรู้ฮะไม่ อัยามีคนยวนมีอะไรไม่อาตมาอ่าคุณธรรมอริยธรรม ซึ่งเรามาถึงปรากฏปาตุภาวะเป็นสภาพที่ปรากฏเห็นได้ปาตุภาวะหรือ ไม่เวอะหรอกอาตมาว่าๆในโลกล่าได้ในโลกทั้ง ไม่ในเรื่องของสังคมวัฒนธรรมมันรุนแรงยิ่งขึ้นเลวเละยิ่งขึ้นการเมืองก็ท้าย <c oughs> ทั้งนั้นน่ะสังคมก็ยากวัฒนธรรมก็ยากขึ้นทุกทีเพราะ ท่านทั้งที่ไม่สงสัยแล้วนะแต่ละล้าละลังเนี่ย พยายามบอกให้พวกคุณเนี่ยใช้อิสระๆก็คือคือกด คมฟื้นตัวเองให้มากขึ้นกว่า อาตมาว่ามันฐานะขนาดนี้ทางอโศกภิสูจตัวว่ามันพึ่งอีก 12 เอาล่ะมันอาจจะต้องกินมากๆถ้าไม่ถึงขั้นมาอยู่สโม ทั้งโลกทะเลทะลักเข้ามาปล้นปรับๆเพราะเราน้อยเหลือเกินๆแล้วมาเมื่อไหร่ๆนะขนาดบาง เอาเห็นแล้วว่าโอ้โหคนนี้เนี่ยอย่าอยู่กับหมู่ ป่านใครที่ยังไม่สามารถเอาๆเชื่ออาตมาๆใครรู้จัก อยากเลื่อรายๆใช่มั้ยมันมันมันจริงๆนะมันเพราะงั้น มันวิเศษนี่ก็จะไปพักเลือดของเนื้อนี้ผู้ฟังอาตมาว่า พงศ์เรามารวมๆตั้งๆเพราะตั้งใจดีๆก็สุดสุขอ่าได้ลาภมากก็คือ mm -hmm.